พระสุตตันตปิฎกขุทธกนิกายชาดกภาคสองเล่มสองขอโนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นมหานิบาตชาดกสองมหาชนกชาดกว่าด้วยพระมหาชนกทรงบำเพ็ญวิริยบารมีนางมณีเมขลากล่าวว่า นี้ใครเมื่อแลไม่เห็นฝั่งก็อุตสาหะพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรท่านรู้อำนาจประโยชน์อะไรจึงพยายามว่ายอยู่อย่างนี้นักหนาะพระมหาสัตตรัสว่าแนเทวดาเราไตร่ตรองเห็นปฏิปทาแห่งโลกและอานิสง์แห่งความเพียรเพราะฉะนั้นถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง เราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ในถ้มกลางมหาสมุทรนางมณีเมฆขาก่าว่ามหาสมุทรลึกจนประเมินไม่ได้ฟังไม่ปรากฏแก่ท่านความพยายามอย่างลูกผู้ชายของท่านย่อมเปล่าประโยชน์ท่านยังไม่ทันถึงฝั่งก็จะตายพระมหาสัตรดว่าบุคคลเมื่อกระทำความเพียนอย่างลูกผู้ชายแม้จะตาย ก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้ในระหว่างหมู่าตเทวดาและบิดามารดาอันหนึ่งบุคคลเมื่อทากิจอย่างลูกผู้ชายย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังนางมณีแม่ขลากล่าวว่าการงานที่ให้สำเร็จด้วยความพยายามไม่ได้ไร้ผลก่อให้เกิดความลำบากและความตายเกิดขึ้นเพราะทำการงานใด จะมีประโยชน์อะไรด้วยความพยายามในการงานอันนั้นพระมหาสัตตรัสว่าแนเทวดาผู้ใดรู้แจ้งว่าการงานที่ทำจะไม่รู้ล่วงไปได้จริงๆไม่รักษาชีวิตของตนไว้ถ้าผู้นั้นละความเพียรในฐานะเช่นนั้นเสียก็จะพึงรู้ผลแห่งความเกียจคร้านแน่เทวดา คนบางพวกในโลกนี้เห็นผลแห่งความประสงค์ของตนจึงประกอบการงานทั้งหลายการงานเหล่านั้นจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามแน่เทวดาท่านก็เห็นผลแห่งการงานประจักษ์แก่ตนแล้วมิใช่หรือคนอื่นๆจมในมหาสมุทรหมดเราคนเดียวยังว่ายข้ามอยู่และได้เห็นท่านมาสถิตยอยู่ใกล้ๆเรา เรานั้นจะพยายามตามความสามารถตามกำลังจกทําความเพียรที่บุรุษควรทำไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรนางมณีเมฆขลากล่าวว่าท่านใดถึงพร้อมด้วยความพยายามโดยธรรมไม่จมลงในห้วงมหันนบซึ่งประมาณมิได้เห็นปานนี้ด้วยกิจคือความเพียรของบุรุษท่านนั้นจงไปในสถานที่ที่ใจของท่านยินดีนั้นเถิด พระเจ้าเปละชนกราชตรัสอุทานปัญหาคุ้มซัพย์ทั้งหลายไว้ว่าคุ้มรัพย์ใหญ่16บคุ้มเหล่านี้คือคุ้มรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นคุ้มรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตกคุ้มรัพย์ภายในคุ้มรัพย์ภายนอกคุ้มรัพย์ไม่ใช่ภายในไม่ใช่ภายนอกคุ้มรัพย์ขาขึ้นคุ้มรัพย์ขาลงคุ้มซัพย์ที่ไม้รังใหญ่ทั้งสคุ้มรัพย์ในที่โยอดหนึ่งโดยรอบ คุมทรัพย์ใหญ่ที่ปลายงาทั้งสองคุมทรัพย์ที่ปลายขนหางคุมทรัพย์ในน้าคุมทรัพย์ที่ยอดไม้และธนูหนักพันหนึ่งบัลลังก์สี่เหลี่ยมและผู้ยังศรีวลีราชเทวีให้ยินดีพระมหาสัตว์ทรงเปล่งพระอุทานว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงหวังเข้าไว้ไม่พึงเบื่อนายเราเห็นการเป็นพระราชาสมปรารถนาแก่ตน บุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงหวังเข้าไว้ไม่พึงเบื่อานเราเห็นตนเองถูกอุ้มจากน้ำขึ้นสู่บกบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงพยายามเรื่อยไปไม่พึงเบื่อานเราเห็นการเป็นพระราชาสมปรารถนาแก่ตนบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงพยายามเรื่อยไปไม่พึงเบื่อไนเราเห็นตนเองถูกอุ้มจากน้ำขึ้นสู่บก นราชนผู้มีปัญญาแม้ได้รับทุกข์แล้วก็ไม่พึงตัดความหวังที่จะถึงความสุขจริงอยู่ทัศนะทั้งที่ไม่มีประโยชน์เกือ้อกูลและมีประโยชน์เกือ้อกูลมีเป็นอันมากคนเหล่านั้นไม่ตรึกถึงความข้อนี้จึงถึงความตายสิ่งที่ไม่ได้คิดไว้จะมีก็ได้สิ่งที่คิดไว้จะพินาศไปก็ได้ โภคะทั้งหลายของหญิงก็ตามของชายก็ตามมิได้สำเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้นมหาชนประชุมกันกล่าวว่าพระราชาผู้ครอบครองแผ่นดินทั้งหมดผู้เป็นใหญ่ในทิศไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะบัดนี้ไม่ทรงตรวจตราเหล่าคนฟ้อนรำไม่ทรงใสพระไทยเหล่าเพลงขับไม่ทอดพระเนตรหมูมรึกไม่ประพาธพระราชอุทยาน ไม่ทอบพระเนตรหมู่หงพระองค์เป็นประหนึ่งคนใบ้ประทับนิ่งเฉยไม่ทรงว่าราชกิจอะไรอะไร